พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่14ด้วโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเกิดในประเทศดีเพราะมีบุญ คณะทาย า, าโจมลูกหลานวันนี้หลวงพ่อคิดว่าจะไม่ลงมาอีกต่างหาก้อมาถึงค่ำมืดเห็นคณะสงฆ์กำลังสวดมนต์นคิดว่ามันดึกแล้วพอหลวงพ่อออกมาจากจังหวัดอุดรตั้งแต่ตีห้ากว่านละลูกหลานมาถึงจังหวัดขอนแก่น ทำไมมาแต่เช้าเพราะว่า <c oughs> ทางมหาไอทางโรงพยาบาลศรีนคริน <c oughs> เขาอยญ่ตรวจเลือดของหลวงพ่อด้วยว่ามีอะไรไม่โรคตับโรคไตโรคโรคอะไรต่อไม่อะไรเขาต้องตรวจเลือดทุกวันนี่แต่ก็พอมาถึงขอนแก่นเกือบเจ็ดแปดนาฬิกา จากนั้นเขาก็มาเอาเลือดไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินจากนั้นก็ได้มาจากนั้นจะได้ฉันอาหารพอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> เขาก็ได้มวลไปที่พักตึกสมเด็จญาตึกสิเก้าชั้นไปพักอยู่ชั้นที่สิบสี่บ้างแต่พักในโรงพยาบาลเหมือน เป็นห้องห้องพิเศษห้องคนป่วยนะ่ะ <c oughs> แต่ไม่มีคนต่อพักจะแล้วก็บ่ายสองบ่ายโมงกว่ากว่าคือบ่ายสองโมงลงมาประชุมที่ห้องสิบสี่ไปพักห้องสิบเจ็ดไปพักห้องสิบเจ็ดลงมาประชุมห้องสิบสี่ชั้นที่สิบสี่อย่างนั้นพอตั้งแต่บ่ายสองจนถึงบ่ายห้าโมง ยังค่อยเลิกกันประชมุมนานเดียวแล้วลูกหลานประชุมเรื่องอะไรไปชมุเมเรื่องมูลทิธิหออพิบาลสงหลวงปู่มั่นบริหารจัดการอย่างไรได้ไประชมุมหาเรือกันจะตุปัจจัยได้เท่าไรขาดเหลือเท่าไรก็รู้สึกว่าเป็นที่อุ่นใจรู้สึกกับปัจจัยก็ไหลทะลักเข้ามาพอสมควร มาดูแลพระสงฆ์แต่ก็ก็ได้จ่ายเยอะนะปีนี้หมดไปสามล้านกว่าเกือบสี่ล้านสามล้านแปดมั้งสามล้านแปดแสนกว่าเพราะว่าจะตุกปัจจที่ได้มาทั้งมดพระสงฆ์เมื่อกี้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีพระมาจากครูบาอาจารย์มาจากเชียงใหม่ทีนี้ทาง อำเภอเขาก็ไม่ได้ส่งมาต้นสังกัดเขาก็ไม่ได้ส่งส่งตัวมาพอมาถึงขอนแก่นเนี่ยจะรักษาเขาก็ไม่ให้รักษาเหมือนกันนะไปที่ไหนเขาก็ไม่ไม่รักษาเพราะว่ามันต้นสังกัดเขาไม่ได้ส่งคนมาพออย่างพวกเราเนี่ยอย่างพระในวัดกุธรรมสุงุมของเราเนี่ยจะไปรักษาที่ศรีนครินเนี่ยต้องได้รับใบส่งจาก อำเภอนิคมคำสร้อยส่งไปเพราะเหไรเพราะว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักษาอยู่ที่นิคมคำสร้อยแต่ทีนี้เราจะไปไปเลยนี่ไม่ได้เขาไม่รักษาเขาไม่ตรวจเพราะว่าไปก็ต้องไปใช้จ่ายเงินทางนน้นพรตัวเองมีสิทธิ์เขาให้ทุก อ, อําเภอเขาให้คนละสามพันกว่าบาท หัวละส0มพันแต่นี้เมื่อเราจะไปเราก็ต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปด้วยไปส่งไปให้ทางโรงพยาบาลศรีนครินแต่ถ้าเราไม่ส่งไปเนี่ยทางนู้นเขาก็ไปรักษาก็จะต้องทวงมาว่านําใบส่งตัวมาแต่ในทางอำเภอสังยางอเภอทีคมคาส้อยก็ไม่อยากจะส่งไปเพราะว่าตัวเองจะได้จ่ายเงินถ้าไปศรีนครินเข้าไปเนี่ย ถ้าเขารักษ า, า, าคนคนนี้ที่ไปรักษาจาักจาต้องจ่ายเงินหนึ่งแสบาทเอ่อนี้เขาก็ต้องเบิกเงินมาทางต้นสังกัดมาทั้งนิคมคำาซ้อยบอกว่าคนที่คนที่คุณส่งไปนั้นทางโรงพยาบาลส่งไปนั้นในตรวจรักษาแล้วใช้เงินประมาณหนึ่งแสนบาทเขาก็จึงเยื่นบินมา ท, ทาง โรงพยาบาลนิคมคําส้อยก็ต้องโอนเงินให้เขาให้ศรีนคริลล์ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่นด็กก็โรงพยาบาลเล็กน้อยเนี่ยไม่สงท่านี่เพราะอาการมันหนักใช่ไหมอย่างพระเนี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าส่งเขาโรงพยาบาลศรีนคริลล์และส่งพยาบาลสูงหัวใจเนี่ยจะต้องเสีจ่ายเงินเป็นแสนเนี่ย เ, เขาก็ไม่การส่งมาพระจะทํายังไงได้ท่านนีเ่เขาก็เห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็น ประธานมูลนิธิเขาก็โทรมาไปขอท่านก็ไปข อ, อ, อ, ขปขอให้หลวงพ่อฝากหลวงพ่อเออเอาฝากเพราะท่านมีอายุพรรษาถึงสี่บกว่าพรรษา42บพรรษานะมาจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ได้เข้ากัรักษาพรารักษาออบอลูนเข้าไปในหัวใจสามเส้น เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอทั้งวัเหนื่อยมากพอรักษาเสร็จแล้วท่านก็หายจ่ายเงินไปสองแสนสองเข้าไปโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่จ่ายไปสองแสนสองโรงพยามันหอ น, นะวะ่ะเครื่องเลยวะ่ะเพราะนั้นเรื่องจตุกปัจจัยหมู่นิธินี่ก็จําเป็นเหมือนกันอนะ่ะนใวันนี้จะได้ไปชุมกันในรายละเอียด แล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าอีกประมาณเดือนมิถุนาวันที่สี่วันที่หนะ้าให้คณะสงฆ์เจาา้าคณะอำเภอคำชีอีมุกดาหารแถบนี้ฟังฟงไวเนานะเวลาจะจ่ายจะตังหนึ่งบอกโอ้ยผมไม่รู้ปฏิเสธอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่ามีความจำเป็นจะต้องได้ใช้จ่าย แต่ปีที่แล้วปีห้าแปดได้กำไรเยอะนะได้สามสิบเอ็ดล้านจะปะจุจะตกปัจจัยเข้าไปแต่ปีนี้ได้สิสิบห้าล้านบางปีเนะี่ยได้กำไรนะก็ได้มากอยู่แต่เงินทั้งหมดเดี๋ยวนี้รวมกันแล้วประมาณแปดสิบกว่าล้านปัจจัยที่ที่ยังที่ได้อยู่ แต่ใช้แต่ละเดือนแ ต, แต่ละปีนะ่ยกับปีนี้อย่างที่ว่านะ่ะสามแสปดใช้ดูแลพระสงฆ์เอาทำไมจึงได้ใช้มากขนาดนั้นหลวงพ่ออย่างที่ว่านะ่ะมันเกินทางรัฐบาลเขาไม่ให้อย่างยามะเร็งมเม็ดหนึ่งอย่างนี้ราคามันแพงนะยามะเร็งนะบางทีเม็ดละสามพันก็มีเขาจะให้เพียงเม็ดละพัน แอีกสองพันั่นก็นเป็นเงินมูลนิธิจะต้องช่วยเหลือนี่แหละคณะจารยายาิโจมลูกหลานมูลนิธิมีความจำเป็นนั่นแหละวันนี้หลวงพ่อได้มาไปชมหาลือกันตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงบ่ายห้าโมงนะเสร็จแล้วเขาก็เอาหลวงพ่อเขาไปตรวจสุขภาพอีกทีไห น, นไปเอ็กซาเลย์ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นนิ่วหรือเปล่าพอลงพิาณาอำเภอนา ย, ยูงเขาสายเอ็กซเลย์เขาบอกเป็นนิ่วใน ในไตเจ้าของทางหมออุดรทางหมอกรุงเทพเทางหมอศรีนัคารินก็เต้นอลไรต่เนี่เอเขาก็กลัวกลัวหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อจะตายมั้งถ้าหลวงพ่อตายก็ไม่ได้หาเงินเข้าให้โรงพยาบาล <c oughs> ใช่ไหล่ะ <c oughs> แต่นีนก็ต่างคนต่างต่างดูเลยเนอุด ร, รเข้ามาสองข้างขอนแก่นก็สองข้างกรุงเทพเตรวจ แต่เกกาแปลกเสายเอ็กซ์เลยอยู่ที่อำเภอนาูยนะอยู่ในไตไยประมาณสองเซนคนนี้เม็ดใหญ่นะแต่มันอยู่ในหัวไตมันไม่ใช่อยู่ในอยู่ในช่องไตไปกรุงเทพไม่น่าจะใช่มันอยู่ในหัวไตมันมันทำไมไปหมักอยู่ในเนื้อไตแล้วพอมาอุดรก็ค้าเองไม่เจอวันนี้ก็เอาทั้งสองแห่งนะทั้งเอ็กซ์เยด้วยทั้ง อุ่นต้ซ า, าวด้วยวะกันไม่มีหลวงพ่อวะกันนะหลวงพ่อเลยไม่ใช่มัละลายเล้วตรวจเลือดอีกพอตรวจเลือดเสร็จแล้วก็เลือดก็ไม่เป็นไรหลวงพอ่อดีออนี่แหละแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อช่วยโรงพยาบาลหลวงพ่อก็บอกนะอ า, อาจารย์หมอทั้งหลายคณะหมอคณะแพทย์ทั้งหลาย ที่หลวงพ่อช่วยโรงพยาบาลเนี่ยนะไม่ใช่หลวงพ่อถางทางเพื่อจะให้เข้าโรงพยาบาลง่ายไม่ใช่นะในใจของหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งความปรารถนาไว้ในใจบอกภาษาทูเนอร์ผู้ค้าได้ช่วยโรงพยาบาลช่วยช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยหยุกช่วยยาช่วยดูแลพระสงฆ์อาพาธตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่อำนวยความสะดวกให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บของพี่น้องประชาชนพู้สูงขอจะให้ผู้ค่าได้เข้าโรงพยาบาลนะหลวงพอ่อจิตอย่างนั น, นะพราะอะไรเพราะการเข้าโรงพยาบาลพอเข้าไปแล้วนะไม่ว่าเอาอะไรตอ่ออัดพี่อะไรแทงก็้าจมูกบังคาไว้ในจมูกบัง่แล้วก็ไม่รู้ว่าสายเข็มไหนต่อเข็มไหนแทงเข้าไป อยู่ข้างไหนต่อข้างไหนกระดุกกระดิกก็ไม่ได้เพลอเพล๋อเขจะมัดแข้งมัดขาติดเตียงอีกต่างหากกลัวเราจะดิ้นเห็นแล้รออย่าให้เข้าโรงพยาบาลถึงข่าวมันแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็รู้อยู่แล้วใครจะไม่ตายเกิดมาในโลกถึงข่าวมันก็ให้ป๊อกไปเลยให้มันจบๆไปง่ายๆหลวงพ่อคิดอย่างงั้นนะคณะทารายาโยมลูกหลานนะอไม่ใช่ว่า เราไปช่วยโรงพยาบาลเลยรู้จักกับแพทย์กับหมอมากพอออกก็รู้อธิการก็รู้ใครก็รู้ระดับไหนก็รู้แล้วหลวงพ่อเนี่ยอยากจะเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อจะดกสบายหลวงพ่อไม่เคยคิดนันลูกหลานนะพอเห็นโรงพยาบาลที่ไลก็โอ้แต่ว่าก็เห็นครูบาอาจารย์ไปก็เออที่ไปสร้างตึกที่โรงพยาบาลศรีนครินเนี่ย เวลาเดียวนี้กนี่ยะหลวงปู่สิงห์ทางบ้านกุทแท่ของเรานี่หลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ใหญ่ๆที่อยู่ในอี ส, สานก็ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินหลวงพ่อก็เกิดประโยชน์มากเพรพาะอะไรเพราะพระผู้ทรงผู้สูงอายุเข้าไปถ้าหากว่าโรงพยาบาลอื่นก็ศักยภาพในการดูแลรัรกษาก็คงด้อย อันนี้เป็นตึกของสงรโดยเฉพาะที่หลวงพ่อไปสร้างไว้เมื่อสิบปีให้หลังสมัยนั้นคือยังหลวงพ่อก็ยังเป็นพระน้อยพระนุ่มอยู่แต่ว่าใจใหญ่ไปไปสร้างตึกชั้นที่สิบของโรงพยาบาลศรีนครินหมดไปทั้งสี่ห้าล้าน ล, ลูกหลานนะที่พระสงฆ์กุบายจารย์ใช้ทุกวันนี้ แล้วก็หาทุนให้อีกมูลนิธิให้อีกแล้วก็พวกเตียงพวกอะไรเข้าไปอีกรวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดหมดไปเกือบสิบห้าล้านขานั่นแต่เมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าขอปีที่แล้วเขาขอเครื่องตรวจหัวใจมาแต่หลวงปู่ทวยท่านมีเมตตาท่านเอาให้หลวงพ่อก็เลยเลดไปเหมือนกันแต่อันนี้ก็สองล้านกว่าปีนี้เขาจางังหวะอีกได้วท สำรัจตรวจออกซิเจนในปลายนิ้วและเครื่องอะไรอีกประมาณสักประมาณสี่แสนหลวงพ่อเออเอาอนุมัตินี่แหละอันนี้คื อ, คอเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเพื่อได้เรียนรู้รูปการศึกษาเหมือนกันนะนะ <c oughs> วันนี้หลวงพ่อเองก็คงจะไม่พูดอะไรมากนะคณาสาัาญยาติโจมลูกหลานเพราะเรื่องการ วางหลักวิสุงคามสีมาท่านอาจารย์พ่อครูและท่านเจ้าคุณก็ได้พูดให้กับกนัฏฐาญาติจมด้วยฟังระดับความเป็นมาของหลักวิสุงคามสีมาทําอย่างไรสรุปแล้วก็คือวัดหนึ่งก็คือเป็นโฉนดที่ดินของวัดนั่นโฉนดนนตรงนี้นตรงที่ออกหลักวิสุงคามสีมาเนี่ยใครจะมาแย่งมาชิงไม่ได้ทั้งนั้น เพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นพระราชทานในหลวงเป็นพระราชทานมาให้จุดนี้แต่จุดอื่นออพอพอเป็นไปได้นะแต่จุดนี้ห้ามห้ามผู้ใดใครผู้หนึ่ง เ, เข้ามากั้มมากายแล้วมาทําอะไรไม่ได้เพมเป็นโฉนดโฉนดเรียกเป็นหลักแหล่งของวัด ทําสังฆกรรมได้ทำสังฆ ก, กรมกกรมได้ทุกอย่างบวชพระก็ได้ทําอุโบสถก็ได้อภิพานก็ได้อะไรก็ได้หยุดในสาาหลังนี้นะเพราะสาราหลังนี้แทนโบสถ์ได้โบสถ์ราคาเป็นแส น, แ ล, แส น, แสนล้านล้านหลัง น, นี้แทนเหมือนนั้นเหมือนหลังนั้นได้ทุกหลักทุกอย่าง อ, าอันนี้ก็คือคือมีหลักที่สูงคามสิมา วนนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งของวัดป่ารรำสพุงของพวกเรารานนั้นถือว่าพวกคณะทาญาทโยมลูกหลานได้หลั่งไหลกันมาก็แสดงความเคารพคารวะหรอว่แสดงความหวังดีหรือว่าอยากจะได้บุญได้กุศลจากการสร้างบุญสร้างกุศลในถ้ำกุกสพุงแห่งนี้นะ เพราะว่าจะได้อยู่นานเท่านานดูคู่กับประเทศชาติบ้านเมืองที่เดียวละวิสุงคามสีมาเนี่ยเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลเพราะนั้นพวกเราคณาจารย์โยมลูกหลานได้มาสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อเองมาเห็นก่อเห็นขอบคุณอนุโมทนากับลูกกับหลานคณ า, า, าญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะว่าการที่จะมาได้สร้างบุญสร้างกุศล อยากวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าได้มีทุกวีทุกวันเมื่อไรนานทีแต่นานพวกเราจะได้มาทำบุญอย่างนี้เพราะนั้นในหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าว่าปุญญานิปรโลกะสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าว่าพวกเรามีบุญ เกิดมาในพบใดชาติใดบุญกุศลก็เป็นเครื่องเครื่อกุนหนุนพวกเราไปตกนักสถานที่ใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากก็อะไรเพราะบุญกุศลเครื่อคุณหนุนแต่ถ้าว่าพวกเราทำสิ่งที่มันไม่ดีทาบาปอกุศลบาปอกุศลก็จะเป็นเครื่องเป็นเครื่องพา น, นำพวกเราไปอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือการทาความดีก็เหมือนกับเรา อยู่ในโลกเนี่ยนะการเรียนหนังสือดีการทำงานดีกิจการงานดีอันไหนมีแต่ดีเราก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอมีแต่ร่ำรวยอันนั้นคือถ้าจะไปเราดีนะคือบุณถ้าว่าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีกินเหล้าเมายาเป็นคนเสพเเพนพอในส่วนเราก็ติดคุกติดตารางล่ะท่าน อนาคตก็มืดบอดทําอะไรก็ลุ่มทุกทุกจนจนตกตกกลนหล่นเพออราะเพราะเราทำบาปทําทสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีให้ผลมีแต่ไปไปทางต่ําเป๋เป๋นั่นไปอยู่ในคุกอยู่ในตารางามาอยูต่ตาราง อ, าอยู่มุกดาหารก็ยังไม่แล้วเขา้าพัดตาราง คุกมุกดาหานอย่างไยังส่งไปนู่นไปลาดยาวบางขวางไปอีก <c oughs> ไปอยู่ที่นู่นอย่างไปแล้วอีกเขายัางขังคุกมืดอีกเอให้เห็นแต่ท้องฟ้านเะอเพราะว่าเราทําแต่กรรมชั่วนะเพราะฉะนั้นกรรมชั่วนั่นแหละคือบาปสิ่งที่ทําไม่ดีนคือบาป แต่ทาสิ่งที่ดีนีคือบุญเพราะนั้นให้พวกเราคณะรัตยาติโจมได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างทุกวันนี้ก่อนเนี่ยนะต้นตระกูลใหญ่ของเราก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นตีเป็นต้นตระกูลใหญ่จากนั้นของมี ปูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงปู่คงแก้วคุบาอาจารย์ในถิ่นของเราท่านก็ปูกฝังอุปนิสัยปู่ย่าตายายของพวกเราพวกเราก็รู้บุญรู้คุณของพ่อแม่คุบาอาจารย์ถ้าท่านไม่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราก็คงจะไม่มีอุปนิสัยไม่มาถึงขนาดนี้ ถือว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีเกิดมาแล้วพ่อแม่ของเราได้พบพ่อครูบาอาจารย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจา ร, ราย์ของเราขอท่านขอนแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวทานอย่างนี้เนะ้อศีลอย่างนี้เนะ้อภาวนาอย่างนี้เนะ้อบุญคุณของบิดามารดาอย่างนี้เนะ้อให้ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาพ่อแม่ของเราเนะ้อ ให้เคารพรักเป็นผู้ใส่ใจปนนิปปิบัติปิดามารดาเพราะปิดามารดาเลี้ยงดูเรามาแล้วควรจะเลี้ยงท่านตอบอย่าไปแขงข้ออย่าไปแขงกระด้างต่อพ่อแม่ของเรานะให้อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบทำกิตระของท่านดำรงวงศุล ปรับพฤติตนให้เป็นคนดีควรสมคว ร, ควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านนอะออย่างพวกเรามาวันนี้แหละมาทําบุญในวันนี้พ่อแม่ท่านว่าพ่อแม่ของเราเมรณะภาพเพื่อตายไปแล้วนะ่ะพวกเราก็ควรจะอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ถ้าหาว่าดวงวิญญาณของพ่อแม่สิงสถิตยอยู่ณที่ใดทิณใดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาทําบุญเออ ฝังหลักวิสุงคามสีมาได้มาทําบุญในวันนี้บุญกุศลส่วนวนี้ก็ขอให้เป็นปัจจัยเครื่องเครื อ, รอกุลหนุนดวงวิญญาณของพ่อของแม่ปูญญ่ย่าตายายวงศาคณาญาติจงประสบแต่ความสุขความเจริญถ้าหากว่ามีความทุกข์ตกทุกขก์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วกขอคอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเถิดนะอันนี้เมื่อเรามาทําบุญ อยากวันนี้เราก็คุรทิศสวนกุศลให้บุพาการีของพวกเราพวกเราคือบุคคลผู้มีอุปกรกรแต่าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาระลาบยศสลเสริญสุขมีพรารมัยที่ดีสุขกายสุขใจ เ, เราต้องคิดในใจอย่างนั้นนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะคณะสัตยาญาติโยมนะหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกถ้าว่าลูกหลานได้เอ็มพี่สามของหลวงพ่อไปฟังนะหลวงพ่อจะพูดย้ําจุดนี้ไว้เสมอถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญ เราก็ไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะประกอบคุณงามความดีแต่ถ้าว่าพวกเราตายแล้วเกิดอันนี้ก็พอพวกเราคงจะประกอบคุณงามความดีแต่มันเชื่อในใจนี่ความเชื่อในจุดนี้เราเราจะทำยังไงเพราะว่าการที่เชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเราต้องศึกษาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรออว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญไม่ใช่ครูบาอาจารย์นึกเดาคาดคะเนประมาณการไม่ใชออ่ท่านก็ฟังศึกษาพอฟังทำมัธยสนาของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วท่านก็นำมาปฏิบัติมาปฏิบัติคือนั่งมานั่งภาวนาตามที่แนวแถวของพุทธะนี่นะแนะนำเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่คน ท่านนึกเด า, าออกไม่ใช่ท่านก็บอกว่าท่านเป็นนั่งภาวนาอยู่ที่คโครนต้นโพรประเทศอินเดียนะ่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็ชัดเจนอยู่แล้วนะี่พอนั่งภาวนาแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญานรัตนะเกิดฌานขึ้นมาจึงระลึกชาติผลหลังได้อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉนั้นพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วศูญจะมาหาเถียงกันทําไมไม่หลวงพ่อพูดให้ฟังอย่ามาเถียงหลวงพ่อคนไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อมีแต่แนะนําท่านันเองถ้าว่าเราอยากจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วศูญไม่ต้องมาเถียงกันล็อก ให้ไปนั่งภาวนาสักสามวันสามคืนนั่งดูสิเออเรานั่งเฝ้างวงวงโบกวงไพ่นั่งดูโทรทัศน์วิทยุฟังหมอลำล้วจังนั่งนานแต่เรานั่งภาวนาดูจิตดูใจของตัวเองวันละสองสามชั่วโมงไม่ได้แล้วพยายามนั่งสิถ้าเรานั่งอย่างนี้ใส่จิตใส่ใจอย่างนี้หลวงพ่อว่าไม่ถึงเจดวันหรอก เอ้านั่งภาวานาบังคับให้อยู่พุทโธพุทโธพุทโธมันคิดไปเก็พุทโธเนะี่ยเออพอนั่งเข้าไปประมาณสักสองสามครั้งเท่านั้นสองสามวันนะั่นะจิตใจรวมสงบพอจิตใจรวมสงบเท่านั้นพอเราเอาจริงเอาจังนะถ้าเราเอาจริงเอาจังมันก็ต้องเห็นจริงเห็นจังพอจิตใจรวมสงบเท่านั้นแหละใจกับกายกายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นได้ชัดเลยเจนี่โอ้ที่ พ, พูดให้เจ้าท่าน บอกท่านกล่าวไว้ว่าตายแล้วเกิดตัวนี้เองมันมาเกิดจิตใจนั่นเองคือนำตัวนามปรธรรมาไปหาเกิดตัวรูปประธรรมเนี่ยตายแน่แน่มันเห็นได้ชัด น, นั้นคณะทศไทา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะจากนั้นเมื่อเห็นได้ชัดเรื่องร่างกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันอย่างนั้นแล้วเราก็เนี่ยประกอบแต่คุดงามความดีเลยทีเดียวไหนที่มันไม่ดี เราจะไปทำทำไมทำไมควรทาไม่ดีจะทำให้คนอื่นคนอื่นเดือดร้อนอีกต่างหากในการกระทำของเราเพราะนั้นเราควรจะประกอบสังสมแต่คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเรานะ่ะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายแต่โลกทั้งโลกเขาให้ความสำคัญเรื่องของกาย มากกว่าเรื่องของใจเพราะเขามองไม่เห็นแต่หลักทํามคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านในความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนี่หลวงพ่อได้ยกแล้วยกกี่ว่ามนโนปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจก็คืออะไรคือตัวผู้รู้คือนามธรรมนั่นแหละเพราะนั้นขอให้คณะสัตยาธิรมูขหลานทุกคนนะเออ ให้ประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วพวกเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาปฏิรูประเทศสวาโซจัก เ, เกิดมาในประเทศที่ธรรมชาติไม่ได้ฆ่าพวกเรามากหนาวก็ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนมากถ้าปาต่างประเทศถน่านหนาวก็หนาวจริงๆและจนคนตายนะถ้าร้อนเขาร้อนจนคนตายอีกเหมือนกัน ฝนตกกับน้ำท่วมคนตายอีกแผ่นดินไหวอีกภูเขาไฟอีกสีนามิอีกมีมากมายแต่ประเทศไทยของเรานี่แต่หลวงพ่อเกิดมาถึงอายุปูนนี่ลหละความรุนแรงของธรรมชาติก็ไม่ได้ฆ่าพวกเราเท่าไหร่เพราะนั้นถือว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะกรัชธารญาติโยมลูกหลานนะเกิดในประเทศที่เหมาะสมถ้าว่าพวกเราไม่มีบุญนะไปเกิดนู่น แถวออฟริกาแถวท้องตโตหัวรีบๆท้องตโตท้องใหญ่ๆหัวโตโตขารีบๆตัวดำดำยังมีอยู่เลทุกวันตัางหิวห้ยอีกต่างหากไปเหตุอลไอพวกเราดูๆแล้วในโลกเนี่ยมันมีมันมีแต่เยอะแยะไปก็ถือว่าพวกเราโชคดีอย่างมากๆ ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยวันนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุรณ์กุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวปฏิรูปรเทศวาโซจักปุเพจักกะตะปุญญาตาพวกเราคงได้ทำบุญไว้ในอดีตชาตินะเมื่อไดทาบุญอย่างวันนี้แหละพวกเราทามากทาน้อย ตามกำลังศรัทธาของเราที่มาไหว้พระมารักษาศีลมาดูแลช่วยชุมชนสังคมแล้วก็ตั้งความปรารถนาสาธุเนอร์ผู้กล้าเกิดมาพบใดชาติใดถ้ า, าว่าผู้ค่ายังไม่ได้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารยังไม่ถึงพระนิพพานขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้พลัดตกไปในสถานที่ต่างๆ อ, อ, อย่างที่ว่าไปตกสถานที่ ประเทศที่ธรรมชาติฆ่าคนให้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอย่างนี้แหละให้ได้พบพระพุทธศาสนาให้ได้พบพระมหากษัตริย์ที่ทรงผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าให้พบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ให้พบแต่คนดีอย่าได้พบคนเลวอย่าไปพบคนที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันต ร, ราย เกิดมาพบนาชาติหนาแล้วก็พร้อมกั น, นอย่าให้อดอย่าให้อยากอาหารการบริโภคให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ให้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้คือความปรารถนาของเราคงจะมีในอดีตชาติเพราะฉะนั้นพวกเราจะมาเกิดในพื้นแผ่นดินแห่งนี้ในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พวกเราขออย่าตั้งอยู่ในความประมาทใดๆถาาว่าพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วบางคนคนนั้นอ่ะ ลืมตัวประมาทกินเหล้าเมายาอะไรมันที่มันชั่วชั่วเสียหายเขามอกขนมาใส่ตนเองเออลืมตัวนั่นแหละออกจากชาตินี้ไปแล้วจะตกไปตกตกต่ละทานเลเพอเพอไปตกนรกซะก่อนก็ไปทรมานกะก่อนออกจากนรกไปแล้วก็ไปเกิดแถว น, วนะแถวที่ แผ่นดินที่ไม่พึงปราถนานั่นแหละ น, นั่นแหละบาปกรรมพาไปเกิดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนัว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากแล้วก็นัทถาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อเองกับภาคภูมิใจนะเกิดมาแล้วถึงจะเกิดมาในชนนบทบ้านนอกเกิดมาอยู่บ้านแหวง น, นะกระเทนะเพราะเกิดขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้บวชอยู่กับหลงปูร่าแล้วก็ได้พบครูบาอาจารย์ได้พบบัณฑิตนักปราชญ์ จากนั้นก็ได้ไปอยู่กับหลวงตามหาบัวอยู่อกับหลวงปู่จามครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นที่รักเคารพของเรา เ, เราก็ได้ศึกษาธรรมะจากองค์ท่านจากนั้นก็มาเป็นตัวของตัวเองเอศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติในเมื่อมาถึงจุดนี้นะหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่เคยลืมตัวนะลูกหลานนะแล้วก็เนีนมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว ถึงจะได้จะตกปัจจัยมาเนี่ยหลวงพอนะ่อแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังช่วยที่นั่นบังช่วยที่นี่บางแต่วัดของท่านที่ไม่มีเออเอาท่านไม่ให้แต่ว่าวัดของเราพอเป็นไปได้แล้วก็แบ่งปันไปให้ไป เ, เพื่อตรบำุงพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาอู่คู่กับเมืองไทยนานเท่านานนี่แหละที่หลวงพ่อมาเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังอะไร แต่ลําพังตัวเองก็จะฉันอะไรฉันวันละอิ่มตัวเองวันหนึ่งก็นั่นแหะถ้าฉันอาหารที่ดีเดี๋ย ว, เ, ยวเพิ่มเพิ เ, พเข้าไปเลยไตคิดจลายคอเลสเตอรอลเพิ่มพูนเข้ามาอีก เ, ออ เ, ออเพราะนั้นเราจะไปฉันไปอยู่อะไรแต่เมื่อได้มาแล้วก็เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรพันธะภาระพันธะเพราะเป็นวัดว า, าศาสนา เ, เราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ โรงเรียนเครื่องมือแพทย์ปังอะไรบ้างนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานได้เห็นนั่นแหละคนะนั้น <c oughs> มันได้มาโดยเป็นธรรมแต่ให้หลวงพ่อแผลขอหลวงพ่อไม่เคยนะเอไม่เคยแผลเคยขอกับผู้ใดพวกลูกหลานคณะสัตว์ยญาติชมเคยเห็นไหอหลวงปู่จามสั่งแล้วสอนอีกนะสอนหลวงพ่อเนี่ยพอออกอุทิศก็อยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยอหลวงปู่จามเนี่ยโอ้ท่านรู้นะจะมี เรียร่ายบ้างขอบ้างใครบ้างเนี่ยหลวงตาเนี่ยหลวงปู่จามเนี่ยที่เป็นหลวงอาเนี่ยยานะอ อ, อย่าทํำนตูนะทางหนทางไปสู่นรกนะก็ใจไหมหลวงพ่อเนี่ยฟังหลวงอาเนี่ยหลวงปู่จามนะท่านพูดให้อย่างเด็ดเดี่ยวเพราะนั้นหลวงพ่อเองเออจะทําอะไรลงไปหลวงพ่อก็ส่งมองดูครูบาอาจารย์หลวงอา หลวงปู่ล่าก็เหมือนกันท่านก็ไม่เคยแต่หลวงตามหาปัวตะกรท่านก็ไม่เคยนะแต่พอต่อมาแบกชาติประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมท่านก็เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมาทำบุญเพราะ่านประกาศท่านไม่ได้ใส่มกใส่พกใส่หอท่านท่านม่ได้มาเพื่อท่านท่านคนนี้แหละได้มาเท่าไหร่ท่านก็ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นสรุปแล้วก็คื อ, อ, อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่หลวงพ่อเนีเข้าไปใกล้เข้าไปสัมผัสเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นผู้มี จ, จิตใจเป็นกุศลมีจะช่วยถุงร่วมสงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะีเดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้สรุปแล้วก็คือว่าตายแล้วไม่สู่าตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีบาบุญคุณโทษมีเพราะฉนั้นพวกเราให้ศึกษาจุดนี้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าอย่าไปหลบหลูนะให้ให้ฟังเอาไว้แล้วก็ให้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วพวกท่านทั้งหลายจะเชื่อเองนะแตว่าไม่ปฏิบัติแล้วเราจะไปหลบหลูดูหมิ่นดูแคลนนะ ไม่ถูกนะลูกหลานนะให้ลูกหลานนั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเอาสออิถ้าข้าไม่เชื่อนะี่นั่งภาวนาท่านก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะไปให้มันเผลอไปที่อื่นนะเอาสักสามวันสามคืนเสิตายเป็นตายไนะหลวงพ่อมั่นใจแล้วเกิดนะ เ, เมื่อจิตใจของเท่ารวมสงบนิ่งลงไปแล้ว เราจะรู้ได้ด้วยตัวเอโอ้ใช่ครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเป็นอย่างนี้เองนะมันพอจิตใจรวมเข้าไปแล้วใจเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งมันเป็นคนละอันกันจริงๆเลยแต่ดวงผู้รู้คือใจตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ร่างกายของเราเนี่ยตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นตายสลายลงสู่ดินน้าลงไปจากนั้นใจดวงนี้ก็ไปเกิดไปหาเกิดใหม่อีก เข้าไปยึดในปฏิสนธิเข้าไปเกิดอีกจากท้องของแม่อีกแต่ไทยใครทำบุญนะไทยทาบุญก็เป็นเลือกเกิดได้นะปลูกเกิดไปเลือกเกิดได้เป็นลูกเศรษฐีเลือกไปเลือกไปเลือกเกิดได้เป็นลูกใครเลือกเกิดได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าเราไม่มีบุญนะมันเลือกเกิดไม่ได้ไนดะ้ ปัจเจกเราไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ที่ไรชาญไปได้ทั้งนั้นอีกเหมือนกันเวลาไรเพราะว่าใจดวงนี้นะ่มันไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นขอให้พวกเราได้เกิดมาในภพพระพุทธศาสนาในภพพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะให้ประกอบคุณงามความดีนะับนะบุญกุศลจะพาพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญ การกล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาทนะ่านลูกหลานนะดึกตื่นแล้วขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมด้วยอํานาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้ลูกหลานทั้งหลายประสบ แต่ความสุขความเย็นใจสุขคายสุขใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน